ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في ا ل ق ر ب ى وَمَن ي َ ق ت َ ر ِ ف حَسَنَةً ن َ ز ِ د لَهُ فِيهَا حُسْنًا إ ِ ن ا ل ل َّ ه غ َ ف ُ و ر ش َ ك و ر นั่นคือความโปรดปานที่อัลลอฮ์ทรงแจ้งข่าวดีแก่บวงบ่าวของโพรงซึ่งพวกเขาได้ศรัทธาและปฏิบัติความดีต่างๆจงกล่าวเถิดมุฮัมหมัดว่าฉันไม่ได้เรียกร้องค่าตอบแทนใดเพื่อการนี้เว้นแต่เพื่อความรักใคร่ในเครือญาติและผู้ใดกระทำความดีเราจะเพิ่มพูนความดีในนั้นให้แก่เขาแท้จริงอัลละ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงรู้ขุน หรือว่าพวกเขากล่าวว่าเขามูฮัมมัดไดอุปโลกความเท็จให้แก่อัลล์ดังนั้นหากอัลล์ทรงประสงค์พรุง จะส่งประทับตราบนหัวใจเจ้าก็ได้แล้วรอนั้นส่งขจัดความเพชให้หมดไปและทรงยืนยันความจริงด้วยคำกล่าวของพระองค์อัลกุรอานแท้จริงพระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในสวงอกและพระองค์คือผู้ทรงรับการขออภัยโทษจากปวงบ่าวของพระองค์ และทรงอภัยจากความผิดทั้งหลายพระองค์ทรงรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำและพระงทรงตอบรับการวิงวอนของบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายและพระองค์จะทรงเพิ่มพูน จากความโปรดปานของประอง์แก่พวกเขาและบรรดาผู้ปฏิเสธสรัตนั้นพวกเขาจะรับการลงโทษอย่างสาหาัสและหากอัลลอฮ์ทรงประทานปัจจัยอย่างชีพ อย่างกว้างขวางแก่ปวงบ่าวของพระองค์แน่นอนพวกเขาจะก่อความเสียหายขึ้นในแผ่นดินแต่พระองค์จะทรงประทานให้ตามปริมาณที่พระองค์ทรงประสงค์แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงเห็นปวงบ่าวของพระองค์เสมอวฮีมดเ และพระองค์คือผู้ทรงหลั่งน้ำฝนลงมาหลังจากที่พวกเขาหมดหวังกันแล้วและพระองค์ทรงแผ่กระจายพระเมตตาของพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงคุ้มครองผู้ทรงได้รับการสรรเสริญิบ และส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นินและสิ่งที่พระองค์ได้ทรงแผ่กระจายไปทั่วในระหว่างทั้งสองนั้นอันได้แก่สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายและพระองค์เป็นผู้ทรงอนุภาพที่จะรวบรวมพวกเขาเมื่อพระองค์ทรงประสงค์ م م และเคราะกรรมอันใดที่ประสบแก่พวกเจ้าก็เนื่องด้วยน้ำมือของพวกเจ้าที่ได้ขวนขวายเอาไว้และพรงทรงอภัยความผิดให้มากต่อมากแล้ว และพวกเจ้าไม่สามารถจะหนีรอดไปได้ในแผ่นดินนี้และอื่นจากอัลลอฮ์แล้วสำหรับพวกเจ้านั้นจะไม่มีผู้คุ้มครองและไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆเลยลและส่วนหนึ่งจากสัญญาณต่างๆของพรหมคือมีบรรดานาวาเดินราบเรียบอยู่ในท้องทะเลดังภูเขา อ y y ah ถ้าโปร่งส่งประสงคโปร่งก็จะส่งให้ลมหยุดนิ่งแล้วมันจะหยุดนิ่งอยู่ในท้องทะเลนั้นแท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณแก่ผู้อดทนผู้ขอบคุณทุกคน เอวยบิคหันน่ะบิมา كسب วว่าอยา่อักวันคธีรหรือพระหังจะทรงทําให้มันนาวาเหล่านั้นอับปางหลวงก็ได้เนื่องด้วยความชั่วที่พวกเขาขวนขวายเอาไว้และพระหังทรงอภัยความผิดให้มากต่อมากแล้ววยาอย่าลมัลลดีน่อยจ اد ิลูนฟิอายาทินามาล هم มิน ม, ม ح ีส และเพื่อบรรดาผู้โต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาณทั้งหลายของเราจะได้รู้ว่าสำหรับพวกเขานั้นจะไม่มีทางหนีรอดไปได้าาอุวรบบก และสิ่งใดที่พวกเจ้าได้รับนั้นมันเป็นเพียงการสนุกสนานเพลิดเพลินแห่งชีวิตของความเป็นอยู่ในโลกนี้เท่านั้นแต่สิ่งที่มีอยู่ณนะที่อัลลอ์นั้นดีกว่าและจีรัางกว่าสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาและพวกเขามอบหมายแด่พระผู้อภิบาลของพวกเขา และบันดาผู้ที่หลีกเลี่ยงการทำบาปใหญ่และการทำลามกและเมื่อพวกเขาโกรธพวกเขาก็อภัยให้ละบันดาผู้ตอบรับตอบ่อพระพระุทธิบาลของพวกเขาและปฏิบัติละหมาดและกิจการของพวกเขา มีการปรึกษาหารือกันระหว่างพวกเขาและเขาบริจาคสิ่งที่เราได้มันเป็นเครื่องยังชีพแก่พวกเขา إ أ uh um และบรรดาผู้ที่เมื่อมีความอายุติธรรมเกิดขึ้นแก่พวกเขาพวกเขาก็แก้แค้นตอบแทน الله, ال และการตอบแทนความชั่วก็คือความชั่วเยี่ยงมันแต่ผู้ใดาอาภัยและไกลเกลีย่ยคืนดีกันระวัลตอบแทนเขาอยู่ที่อัลลอฮ์แท้จริงพรงไม่ทรงชอบบรรดาผู้อาทา عَلَيْهِمْ แต่ถ้าบุญดแก้แค้นตอบแทนหลังจากได้รับความอาธรรมชนเหล่านั้นจะไม่มีทางตำหนิพวกเขาได้เลยลส่วนที่จะเกิดโทษนั้นได้แก่บรรดาผู้ที่อาธรรมต่อมนุษย์ และก่อความเสียหายให้เกิดขึ้นในแผ่นดินโดยปราศจากความเป็นธรรมชนเหล่านี้พวกเขาจะได้รับการลงโทษอันเจ็บปวดและแน่นอนผู้ที่อดทนและให้อภัยแท้จริงนั้นคือส่วนหนึ่งจากกิจการที่หนักแน่นมั่นคง และผู้ใดื่าล้อทรงให้เขาหลงทางสำหรับเขาจะไม่มีผู้คุ้มครองภายหลังจากพระองค์และเจ้าจะเห็นบรรดาผู้อาธรรมเมื่อพวกเขามองเห็นการลงโทษพวกเขาจะกล่าวว่ามีทางใดบ้างไหมที่จะกลับไปยังโลกนี้อีก وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الدُّلِّ ي َ ظ ُ ر ُ و ن َ م ِ ن طَرْفٍ خ َ ف ِ ي ّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ และเจ้าเหรนพวกเขาถูกนำมาข้างหน้าไฟนรกพวกเขาจะก้มตัวลงอย่างน่าสังเวชมองดูอย่างหลบสายตาและบรรดาผู้ศรัทธาจะกล่าวว่าแท้จริงพวกที่ขาดทุนคือบรรดาผู้ที่ทำตัวของพวกเขาและครอบครัวของพวกเขาให้เสียหายยับเยินในวันเกียวมาเพิ่งทราบเถิดว่าแท้จริงบรรดาผู้อธรรมนั้นจะอยู่ในการลงโทษอันทาวอ ا أ และสำหรับพวกเขาจะไม่มีผู้คุ้มครองให้ความช่วยเหลือแก่พวกเขานอกจากอัลลอฮ์และผู้ใดที่อัลลอะ์ทรงให้เขาหลงทางเขาผู้นั้น จะไม่มีทางกลับไปสู่ทางนําได้จงตอบรับการเรียกร้องจากพระผุ้พิบาลของพวกเจ้าเถิดก่อนที่วันหนึ่งจะมาถึง ซึ่งไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงไปจากอัลลอ์ได้และในวันนั้นสำหรับพวกเจ้าจะไม่มีที่พักพิงและพวกเจ้าก็จะไม่มีทางปฏิเสธด้วย แต่ถ้าพวกเขาผลิบหลังให้ไม่ยอมรับการเรียกร้องดังนั้นเราไม่ได้ส่งเจ้ามาอย่างพวกเขาเพื่อเป็นผู้คุ้มครองหน้าที่ของเจ้าไม่ใช่อื่นใดนอกจากการเผยแพร่เท่านั้นและแท้จริงถ้าเราจะให้มนุษย์ลิ้มรสความเมตตาจากเรา เขาก็ยินดีปรีดาต่อความเมตานั้นและหากคราะหกรรมประสบแก่พวกเขาเนื่องจากมือของพวกเขาได้ประกอบเอาไว้แน่นอนมนุษย์นั้นเป็นผู้เนรคุณเสมอ อำนาจเด็ขาดแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์พระองค์จะทรงสร้างสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์พระองค์จะทรงประทานลูกหญิงแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และจะทรงประทานลูกชายแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์อีด หรือพระองค์ทรงประทานรวมให้แก่พวกเขาทั้งลูกชายและลูกหญิงและพระองค์ทรงทําให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เป็นหมันแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงรู้ทรงอานุภาพ อบอลและไม่เป็นการบังควรแก่มนุษย์คนใดที่จะให้อัลลอฮฺตรัสแก่เขาเว้นแต่โดยทางวะฮีคือการประธานองค์การหรือโดยทางเบื้องหลังมานหรือโดยทางที่พระองค์ทรง ส่งทูตมาแล้วเขามะาลักก็จะนำวะฮีมาตามที่พระองค์สงประสงค์โดยอนุมัติของพระองค์แท้จริงพระองค์เป็นผู้สรงสงูสงส่งผู้สรงปริชาญ ت ت และเช่นนั้นแหละเราได้องค์การอัลกุรอานแก่เจ้าตามบัญชาของเรา เจ้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าอะไรคือคำภีและอะไรคือการศรัทธาแต่ว่าเราได้ทำให้อัลกุรอานเป็นแสงสว่างเพื่อชี้แนะทางโดยในยะนั้นแก่ผู้ที่เราประสงค์จากบวมบ่าวของเราและแท้จริงเจ้านั้นจะได้รับการชี้แนะสู่ทางเที่ยงตรงอย่างแน่นอนส لا لا คือทางขออัลลอ์ซึ่งสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์พึงทราบเถิดว่ากิจการทั้งหลายย่อมกลับไปสู่อัลลอ์